จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2552ตรงกับวันแรง14ข่ําำเดือน11เป็นวันพระวันธรรมสวนระวันฟังธรรม เป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นวันให้อาหารแก่จิตใจเป็นวันที่ทำจิตใจให้สงบให้เยน็นให้สบายเพราะไม่มีอะไรที่มีคุณค่าแต่ชีวิตจิตใจยิ่งกว่าความสะอาดความสงบของจิตใจต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขา เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นมหากตรย์ถ้าจิตใจไม่สหอาดจิตใจไม่สงบฐานะของการเป็นกตรั์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจมีความสุขได้ดังนั้นความสุขใจนี้จึงเป็นสิทธิของคนทุกคน ที่สามารถจะพึงมีได้เช่นเดียวกับมรรคผลทีพ่พานก็เป็นสิทธิของคนทุกคนที่จะพึงมีได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินการทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริญญาการศึกษาทางโลกว่าจะมีสูงมีต่ำอย่างไรขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรับผลนิพพานอย่างแท้จริงอยู่ที่การทําบุญให้ทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การบำเพ็ญจิตตภาวนาเจรญสมาธิเจรรยปัญญา นี่คือเครื่องมือเครื่องซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นอาหารของจิตใจด้วย<ม>ทางเวลาเราทําแล้วด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความปรารถนารับผลตอบแทนจากผู้รับแต่อย่างไดจะเป็นทางที่สะอาดเป็นทางที่บริสุทธิ์เป็นทางที่ให้อนิสงส์ได้อย่างเต็มที่ต่างกับทางที่ทําด้วยความโลภ อยากได้ผลตอบแทนอย่างที่มีการเข้าใจกันในบางสถานที่คิดว่าทาบุญแล้วให้ฐานแล้วจะร่มรวยแต่ความจริงการทาบุญทาทานนี้เป้าหมายก็เพื่อให้ยากจนต่างหาเพราะการมีเงินทองมากนี้เป็นภาวะกดดันจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความหนักอกหนักใจให้แก่จิตใจ เงินทองมีไว้รักใช้จิตใจไม่ได้มีไว้มากดดันไม่ได้มีไว้มาเป็นภาระให้จิตใจต้องแบกหางผู้ฉลาดเท่านั้นถึงจะรู้ความจริงอันนี้และจะไม่หึงหวงจะไม่เสียดายจะไม่เก็บไว้มากเกินความจำเป็นเงินทองมีไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบาย ให้มีเวลามาทำบุญทำทานมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีเงินทองพอวันนี้ก็ยังต้องไปทำงานอยู่เพราะชีวิตมันก็เป็นแบบบากกัดตีนถีบคือต้องพยายามหาเงินหาทองมาดูแลรักษาร่างกายถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะสู้ผอม หรือจะตายไปได้ถ้าเงินทองไม่พอก็ต้องขวนขวายหามาให้พออย่างผู้ที่ไม่มีโอกาสอย่างพวกเราที่เราพอมีพอกินมีเหลือพอที่จะมีเวลามาทำบุญให้ทานได้ก็พอเพียงแล้วอย่าไปหวังร่ำรวยอย่าไปหวังพ้นทุกจากการมีเงินทองมากเกินความจำเป็น เพราะการพ้นทุกข์นี้ต้องเกิดจากการลดละเกิดจากการตัดเกิดจากการเสียสละเกิดจากการบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่มีความจําเป็นต่อการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมถ้ามีถ้าได้ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนจิตใจมีกําลังมากขึ้น สามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองก็จะสละเงินทองไปทั้งหมดเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้กระทำกันหลังจากที่ท่านได้บำเพ็ญเจริญจิตใจของท่านให้สะอาดให้มีกำลังที่จะยืนบนตาบนลำแข้งของตนได้ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นมาคอยบำรุงบำเลออย่างที่พวกเรายัางต้องทำกันอยู่ท่านก็ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นท่านไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาท่านอยู่ตามลาพังของท่านได้อย่างมีความสุขเพราะท่านทำใจให้สงบได้ แล้วเมื่อท่านทำได้แล้วท่านก็อยากจะทำให้มีมากยิ่งขึ้นท่านจึงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสละสามีสละภรรยาสระบุตรพิดาแล้วก็มุ่งไปสู่การบำเพ็ญในป่าในเขาในสถานที่สงบสงัดเพราะเป็นที่จะส่งเสริม การจเจริญงอกงามของความสงบของจิตใจสำหรับพวกเราที่ยังอยู่ในสังคมยังยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ก็ขอให้เราตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเราจะขอออกจากเรือนเพราะการอยู่ครองเรือนนี้เป็นการเหมือนอยู่ติดในคุกในตาราง ไม่มีความอิสระไม่มีความเสรีไม่มีความสุขเหมือนกับผู้ที่ไม่ครองเรือน <c oughs> เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเหมือนผู้ที่หลุดออกมาจากคุกจากตารางส่วนพวกเรานี้ยังติดคุกติดตารางอยู่ติดอยู่กับสมบัติติดอยู่กับยศถาบรรดาศะติดอยู่กับการสะลรเสริญเยือนยอติดอยู่กับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นเราควรที่จะเตือนสติว่านี่ไม่ใช่บ้านของเราที่แท้จริงนี่ไม่ใช่อิสระภาพเสรีที่แท้จริงอิสระภาพเสรีของเราที่แท้จริงนั้นต้องอยู่โดยไม่มีอะไรต้องไม่มีต้องไม่อาศัยอะไรมาเป็นที่บำางบำเรอ ให้ความสุขแก่เราเพราะเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่สนใจบำเพ็ญไม่สนใจทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเรามีทรัพย์อันล้ำค่าที่เรียกว่าอาริยทรัพย์อยู่ภายในใจของเราแต่เราถูกความหลงโมหะถูกกิเลสหลอกให้เราไปหาไปหาเศษขยะในรูปของลาบยศเสนสูตร แล้วใจของเราก็มีแต่ความแห้งแรงมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทั้งๆ ท, ที่เราอยู่ท่ามกลางลาบยศสมบัติลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกองเท่าภูเขาแต่ใจเรากลับมีความรู้สึกว่าเหวเกิดมีความรู้สึกเศร้าซ้อยหน่อยเหงาขึ้นมาเพราะว่า ราบยศสละเสริญ ส, สุขนี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจนั่นเองอาหารของใจนี้ต้องเป็นความสงบและจะสงบได้ก็เกิดจากการบำเพ็ญการชำระกายวาจาใจอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาชำระกันในวันนี้เราชำระกายวาจาด้วยการรักษาศีลเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี อย่างนี้เรียกว่าเป็นการชำระกายของเราให้สะอาดเราไม่พูดบทมดเทจไม่พูดคำหยาบไม่เสพไม่ไม่พูดเพเจ้ไม่พูดส่อเสียดนี่เรียกว่าเป็นวาจาที่สะอาดเราไม่เสพสุรายาวเมาเพื่อที่จะรักษาสติสัมปชัญญะของเราให้มีคงที่ไว้เพื่อเราจะได้ มาชำระใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา <c oughs> นี่คืองานของเราหน้าที่ของเราที่แท้จริงเป็นหน้าที่หลักหน้าที่ที่จะนำความสุขคืออริยทรัพย์ให้แก่เราส่วนการท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเงินหาทองนี้เป็นหน้าที่รองเป็นหน้าที่สนับสนุนหน้าที่หลักของเราคือการชำระ ก, กายวาจาใจของเราให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แต่เฉพาะวันศีลวันพระเท่านั้นวันศีลวันพระเป็นวันที่เรามาทบทวนดูพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาในระยะเวลา6หรือเจวันที่ผ่านมา ว่าสะอาดหรือสกรปรกอย่างไรถ้าเรายังมีความเผลอเลยยังถูกอำนาจของความหลงฉุดลากให้เราไปทำบาปไปทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยแก่จิตใจของเราวันนี้เราก็มาตั้งหลักกันใหม่มาตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศิงแล้วก็นำเอาไปรักษา ไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงแต่วันนี้รักษาทุกวันทุกเวลาถ้าอยากจะให้กายวาจาใจสะอาดถ้าอยากจะให้ใจของเรามีความสุขเหมือนกับการรับประทานอาหารหรือเหมือนกับการหายใจเราต้องหายใจตลอดเวลาถ้าเวลาใดที่เราไม่หายใจเวลานั้นชีวิตของเราก็จะถึงจุดจบ เช่นเดียวกับใจของเราถ้าเราไม่มันรักษากายว่ า, จาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างอย่า ง, งต่อเนื่องก็เป็นเหมือนกับการหยุดลมหายใจนั่นเองและเราจะไปหาความสุขจากอะไรเพราะสิ่งทุกอย่างที่เราหานั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขท่านบอกว่ามันเป็นทุกขังอั น, นิจจังทุกขขังอนัตตา รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่เราเห็นด้วยตาสัมผัส ด, ด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่อยู่กับเราไปตลอดเราต้องคอยวิ่งตะครุบอยู่เรื่อยๆเหมือนกับวิ่งตะครุบเงาพอจับได้ปั๊บ มันก็ดิ้นหลุดหายไปเหมือนปลาหล <c oughs> เราจึงต้องแสวงหาลาบยศสารเสริญสุกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นตราบใดที่ยังมีการแสวงหาอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ตราบใดที่ไม่มีการแสวงหาแล้วตราบนั้นก็จะไม่มีความทุกข์นักปราบทั้งหลาย ท่านจึงพยายามตัดการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกขกับสิ่งที่ได้มาเสมอไปทุกข์ที่เกิดจากความกังวลทุกข์ที่เกิดจากความหวง ทุกที่เกิดจากความห่วงทุกที่เกิดจากความเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปหรือเวลาที่ต้องจากสิ่งต่างๆไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของโลกนี้เราเพียงขอยืมขามาใช้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะถ้ายึดติดมากเวลาต้องจากไปก็จะทุกมากเวลาอยู่ก็จะทุกมากถ้ายึดติดน้อยหรือไม่ยึดติดเลยก็จะมีความทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยนี่คือความจริงของจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ที่พวกเราทั้งหลายยังไม่รู้หรื อ, อยังไม่เข้าใจกัน เราอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไมพระพุทธเจ้าเป็นถึงราชโอรสมีความสุขอย่างเต็มที่ทางโลกทำไมจึงไม่อยู่ในทางโลกต่อไปถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิ <c oughs> เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พวกเราไม่รู้ว่าใจของท่านเป็นอย่างไรใจของท่านโกนกวายกระสับกสาย พอท่านรู้ว่า ท, ทรัพย์ของท่านก็ดีฐานะของการเป็นราชโอรถก็ดีก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะถูกผู้อื่นมาล้มล้างได้เมื่อไหร่ผู้ใดมีอำนาจผู้นั้นก็จะเป็นเป้าของผู้ที่ปรารถนาจะมีอำนาจเขาก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะโค่น ลมผู้ที่มีอำนาจให้ได้สิ่งเหล่านี้มีการมีเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าและยังมีอยู่ในสมัยปัจจุบันในประเทศของเราก็ยังมีการพยายามที่จะล้มล้างผู้ที่มีอำนาจกันเสมอเพราะความหลงความอยากมีอำนาจนี้เองแต่หารู้ไหมว่าเป็นการสร้างเรืสร้างกรรมให้กับตน เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่นตนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายขณะที่ยังไม่ได้ก็กระสับกระสายอยากจะได้พอได้แล้วก็ต้องมากระสับกระสายกับการคอยดูแลรักษาคอยป้องกันคนที่มีอำนาจคนที่มีเงินทองมากๆถ้ายึดติดแล้วก็จะหาความสุขไม่ได้นอกจากคนที่ ได้อำนาจมาด้วยอำนาจของบุญบารมีที่ได้บาเพ็ญมาในอดีตเช่นพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยทุกข์กับอำนาจที่มีอยู่เพราะไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะมีอำนาจอย่างนี้แต่อย่างใดแต่มันเป็นอนิสงส์ของขนบุญที่เคยได้ทำมาในอดีตเกิ บุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานี่ถ้ายังไม่ได้พาให้จิตสุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะพาให้จิตไปเกิดเป็นผู้มีอำนาจมีวาสนามีความร่ำรวยแต่ผู้ที่ได้รับผล น, นี้จะไม่ค่อยยึดติดเหมือนกับผู้ที่ แสวงหาอำนาจแสวงหาเงินทองจากความอยากจากกิเลสตัณหาต่างๆผู้ที่แสวงหาแบบนี้จะมีจิตใจที่รุ่มร้อนจะมีจิตใจที่โหดเทียมทารุณจะมีจิตใจที่ไร้ความเมตตาต่างกับผู้ที่ได้อำนาจมาด้วยอนิสงส์ผลบุญของตน จะเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าปกครองผู้อื่นก็จะปกครองด้วยธรรมะทำให้ผู้ที่อยู่ภ า, ายใต้การปกครองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ผู้ที่ได้อำนาจมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาหรือด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรม ผู้นั้นจะปกครองผู้อื่นด้วยความโหดเหี้ยมทารุณผู้ที่ถูกผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองนั้นจะไม่ได้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุดจะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจนี่คือความจริงเราเห็นได้ในโลกนี้คนที่มีอำนาจแต่เป็นคนใจมุญใจกุศลเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะ รับใช้อยากจะเข้าใกล้แต่คนที่มีอำนาจแต่เต็มไปด้วยจิตใจที่เหี้ยมโหดทารุณไร้ความเมตตาจะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้จะมีแต่ผู้ที่จะคอยปองร้ายเพื่อที่จะกาจัดพิษภัยที่จะมาถึงตัวเขานั่นเองดังนั้นถ้าพวกเรายังปรารถนา และอำนาจต่างๆในโลกนี้อยู่ก็ขอให้เราหามาด้วยความถูกต้องด้วยความสุกจริญคือขอให้เราทำบุญทำทางให้มากให้รักษาศีลให้สะอาดให้บำเพ็ญจิตตภาวนาไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกชาติของเราในแต่ละภพแต่ละชาติ ก็จะเต็มไปด้วยบุญบารมีอำนาจวาสนาจะเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาจะเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือการอนิสง์ของการบำเพ็ญของการชำระกายวาจาใจของเราเป็นอย่างนี้อย่าไปหวง เลยอยากไปเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ยิ่งห่วงมากยิ่งห่วงมากยิ่งมีความทุกข์มากสมบัติเข้าของเงินทองแทนที่จะให้ความสุขกับเราก็เลยกลายเป็นไฟเผาเราไปอยู่ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปด้วยแต่คนฉลาดนี้จะนำเอาเงินทอง มาทำบุญให้ทานมาสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ทำแล้วก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทํากันในวันนี้ท่านจะมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายใจต่างกับคนที่ไม่ได้ทำแต่นั่งรอคอยรับทานของผู้อื่นคอยรอของจากผู้อื่น ใจของเขาจะมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหาย <c oughs> และเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้เกิดความอิ่มเอิบแต่อย่างใดแต่กลับเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะธรรมชาติของความหิวความอยากเป็นอย่างนั้นยิ่งหิวยิ่งอยากก็ยิ่งสร้างความหิวสร้างความอยากให้มากขึ้นไปต่างกับการให้ยิ่งให้มากเท่าไหร่ ยิงเกิดความอิ่มเกิดความพอมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็เกิดความเมตตามากขึ้นไปด้วยเกิดความความสงสารเกิดความกรุณาต่อผู้อื่นคนที่หิวมากอยากมากก็จะไม่มีความเมตตาเพราะจะต้องดินน้นรนหรือต้องต่อสู้ทุกวิถีทางให้ได้มาในสิ่งที่ตอนอยากได้มา คนที่ไม่ให้ทานจึงรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลอยากส่วนคนที่ให้ทานนี้จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะใจมีแต่ความเมตตากรุณาไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดอยากจะได้อะไรจากผู้อื่นเพราะมีแต่อยากจะให้มากกว่าอยากจะได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องให้ทานอยู่เรื่อย มีมากมีน้อยก็ขอให้ไปมีน้อยก็ให้ไปฝึกให้ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยพอมีมากแล้วก็อยากจะให้มากเองแต่ถ้ามีน้อยแล้วบอกว่ายังไม่ควรยังไม่อยากให้มันก็จะติดนิสัยหวงแหนไปพอมีมากก็จะเกิดความเสียดายก็จะไม่ได้ให้อีกแล้วเมื่อไม่ได้ให้จิตใจก็จะไม่มีความสุข ไม่มีความอิกออกใจใจก็จะมีแต่ความอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้ร้อยก็อยากจะได้เพิ่มเป็นพันได้พันก็อยากจะได้เป็นแสนเป็นล้านไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ใจนี้กับอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจกับหิวกระหายเพราะไม่ได้รับอาหารนั่นเองอาหารของใจก็คือการให้การเสียสละ มีอะไรแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอจะทำให้เราขยับขึ้นไปสู่อริยทรัพย์ที่สูงขึ้นไปได้ถ้าทานเปรียบเหมือนกับแบงแบงสิแบงยี่สิบศีลก็เป็นเหมือนกับแบงร้อยเราต้องขยับขึ้นไปสู่ทรัพย์ที่สูงขึ้นไปจากทานเราก็จะขึ้นสู่ศีลได้ด้วยการก้าว บันไดของทางทาง น, นี้เป็นเหมือนบันไดที่จะทำให้เราได้ก้าวขึ้นสู่ศีลถ้าเราไม่มีบันไดเราจะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปลําบากเหมือนกับเวลาเราจะขึ้นไปชั้นบนของบ้านถ้าเราไม่มีบันไดเราจะทำอย่างไรเราก็จะขึ้นไปไม่ได้ถ้าเรามีบันไดเราก็จะเดินขึ้นไปได้อย่างง่ายดายทางก็เป็นสีนก็เป็นบันไดของศีน ศีลก็เป็นบันไดของสมาธิสมาธิก็เป็นบันไ ด, ข อ, นนดของปัญญาปัญญาก็เป็นบันไดของมรรคผลนิพพานเนี่เป็นขั้นอย่างนี้เราต้องบำเพ็ญเป็นขั้นขั้นไปยกเว้นไม่ได้ละเว้นไม่ได้มีมากมีน้อยก็ทําไปถ้าไม่มีแล้วก็ถือว่าหมดไม่มีความจําเป็นต้องทำ เราก็ก้าวขึ้นสู่ขั้นศีลได้เลยเมื่อมีศีลแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่การทําสมาธิทําจิตใจให้สงบหาเวลาว่างจากภาวกิจการงานต่างๆห า, ามุมสงบนั่งทําจิตใจให้สงบในเบื้องต้นอาจจะต้องสวดมนต์ไปพรานก่อนเนื่องจากจิตนั้นไม่สงบจิตคิดมาก จะให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นจะไม่อยู่จะให้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธก็จะไม่อยู่ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ยังไม่อยู่ก็ให้เปิดเทปธรรมะฟังไปก่อนฟังเทปไปก่อนฟังด้วยมีด้วยการมีสติเพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อการทําให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากเวลาฟังเทปด้วยความตั้งใจแล้ว ใจจะค่อยสงบลงไปเรื่อยๆ <c oughs> พอรู้สึกว่าอยากจะหยุดฟังก็ปิดเทปแล้วก็กำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปตอนนั้นก็จะอยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้และถ้าอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบ เวลาสงบแล้วจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณพะถึงแม้จะได้ยินแต่จะไม่สนใจจะไม่ให้ความสำคัญจะมีความสุขอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบใจจะเป็นอุเบกขาใจจะปล่อยวางไม่รักไม่ชังไม่ดีใจไม่เสียใจจะมีความอิ่มมีความพอ ขณะที่อยู่ในสภาพนั้นก็อย่าไปดึงจิตออกมาไว่ยให้จิตสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะานานได้หลังจากที่จิตออกมาจากความสงบแล้วก็เป็นหน้าที่ของการเจริญปัญญาต่อไปให้เราเจริญปัญญาด้วยการพิจารณารูปเสียงกลิ่นโน้โผฏฐาตที่มาสัมผัสตับตาหูจมูกนิ้งกายว่าไม่เที่ยม เป็นทุกขไม่มีประโยชน์กับจิตใจของเรามีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองเวลาที่ได้เสพได้สัมผัสก็จะมีความสุขแต่พอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสก็จะรู้สึกอ้างว้างเป่าเปียวเศร้าซร้อน้อยเหงาสังเกต ด, ดูวันใดที่เราต้องอยู่บ้านออกจากบ้านไม่ได้ เราจะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเบิกบานแต่พอเราได้ออกจากบ้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่พอเรากลับมาเราก็กลับมาเศร้าส้อยง่อยเหงาเหมือนเดิมเราจึงอยู่ไม่ติดบ้านกันเพราะเราติดการเสียรูรปเสียงกลิ่นนสผดถั่วมะนั่นเอง แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบของใจลาเราจะไม่ค่อยอยากจะออกไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิดนด่นรสถ้ากิเลสยังอยากอยู่เราก็พยายามใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดพวกเราทุกคนรู้ว่ายาเสพติดนี้เป็นอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอย่างนั้นขอให้เรามองให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดเถอ แล้วเราจะได้ไม่ไปอยากได้ไม่อยากไปเสกแล้วเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขอยู่อย่างอยู่อย่างมีความสดชื่นเบิกบานไม่รู้สึก ว, าว้าเหวไม่รู้สึกเศร้าส้อยหมยเหงาอย่างใดแล้วเราจะมีเวลาที่จะบำเพ็ญที่จะเจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนอกจากรูปเสียงกินรถแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายต่อไป พิจารณาว่าร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ดับความหวาดกลัวในความแก่ความเจ็บความตาย <commencer> ผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายเ <P ero> <ceremony> พราะผู้ที่ผู้ที่กลัวหรือไม่กลัวนี้ไม่ใช่ร่างกายนั่นเองคือใจ ใจไม่ได้แก่ไปไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจจะไปกลัวทำไม <genommen> เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็เลยไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเวลาคนอื่นตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยฉันใดถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าร <S <S ่างกายเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น เวลาตายก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจของเราให้หมดสิ้นไปแต่ปัญญานี้จะไม่เป็นปัญญาถ้าไม่มีสมาธิสนับสนุนสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีศีลเป็นบรรได้ศีลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทางเป็นบันได นี่คือความสัมพันธ์ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทานศีลสมาธิและปัญญาเพราะพวกเราจึงต้องบำเพ็ญจากขั้นต่ำขึ้นไปเหมือนกับการจะจบปริญญาเอกได้ก็ต้องจบปริญญาโทก่อนปริญญาตรีก่อนต้องจบชั้นมัธยมก่อนต้องจบชั้นประถมก่อนต้องจบชั้นอนุบาลก่อนเป็นอย่างนี้การบำเพ็ญ จึงจะสำเร็จได้อย่างา ง, ง่ายดายถ้าเราอยู่ชั้นอนุบาลแล้วเราคิดว่าโอ๊ยให้เราไปเรียนชั้นชั้นมหาวิทยายัายนี้เราทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่มีความสามารถพอแต่ถ้าจากชั้นอนุบาลแล้วเข้าชั้ชนปฐมหนึ่งนี้เราก็รู้สึกว่าพอทำได้ จากพอถมสองก็ขึ้น 3-4 มสี่ไปเรื่อยๆอย่างการปฏิบัติของเราก็เป็นเช่นนั้นตอนต้นเราก็ทำทานเล็กๆน้อยๆไปก่อนมีมีน้อยหรือมีมากแต่ยังไม่อยากจะทำมากแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มเห็นผลของการให้ทานแล้วก็จะทำให้เราอยากจะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะรักษาศีลต่อไปอยากจะนั่งสมาธิต่อไป แล้วก็อยากจะเจริญปัญญาต่อไปนี่คือวิธีการชาระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีสร้างอริยทรัพย์วิธีสร้างมรรคผลนิพพานอย่างที่ท่านเลื่อมากระทำกันในวันนี้ขอให้ท่านทำให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปเถิดแล้วสักวันหนึ่งท่านก็จะได้ทรัพย์อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้สงครอบครองไว และจะเป็นทรัพย์ของท่านต่อไปอย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้นาระเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งานทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ